จันิวรพสัมมได้กจัดนิวรธรรมสติตั้งมั่นอยู่ในสติประธานสีสติตั้งมั่นอยู่ในสติประธานสีอบรมโพชชงเจ็อบรมโพชชงเจ็สามารถเจริญอรรมมีองแปลสามารถเจริญธรรมมีองแปลแทงตลอดอมตะธรรมแทงตลอดอมตะธรรมเพื่อธรรมที่สุดแห่งวัฏฏะทุกเพื่อธรรมที่สุดแห่งวัฏฏะทุกข์ ด้วยการทุกท่านเทอิสาธุสาธุสาธุติปทานสูตรซึ่งมหาสติประทานสูตรนั้นมีพระสาวกที่ฟังสติประทานสูตรตรัสรู้เฉพาะน้าพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าประมาณสามหมื่นท่านทูตนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรรู้ไหมคือโบราณเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเครื่องหอมเท่าไหร่ เขาก็บดเครื่องหอมเน้่ผสมกับทูบเขาจะได้จุดเป็นของหอมก็คือเขาให้แสงสว่างก็ให้ของหอมทีนี้ของไทยเราก็เลยบูชาควันก็เลยกลายเป็นโรมควันบูชาที่ก็แบบแต่ถูกว่าถูประสงค์หรือเปลการจุดเทียนนี่ก็ไม่ได้แหววทื่ๆเอาแต่เทียนแต่เขาให้ประทีปเขาให้แสงสว่างเป็นทานเนี่นของไทยอยากเอาดวงดวงูดอุปิตย์นี่แหละบูชามันจะได้สว่างพอาดวงอื่นนี่มันติดติดระดับดวงอาทิตย์ไม่ค่อยติดระดับ สว่างสม่ำเสมอดีผู้ที่ใช้ภาพเป็นเครื่องสักการะบูชาเนี่ยก็เสร็จแล้วก็นั่งประจําที่เพราะว่าเมื่อกี้เราก็สวดจันทร์ศพระรัตนไตรายมาแล้วพร้อมทั้งคํานมำส ก, การพระรัตนไตรพร้อมทั้งสังเวกขาวัตถุมาพอสมควรแล้วมาตรงนี้ก็จะพาถึงไกลาสารนครจะมาทานศีลซึ่งยังไงยังไงก็ได้เปิดในะวันนี้ศีลอย่าพึ่งขาดเลย ให้มันเลยกลับไปบ้านถึงเล่นอะไปถึงวัดสเสนียนารีก่อนศีลเขาขาดอย่างน้อยก็ยังดียังไงยังไงก็อยู่ดินแดนอินเดียก็พยายามสั่งดอกน้เพอะเดี๋ยวนึกถึงอินเดียเมื่อไหร่ก็จะได้ปราบเพิ่มไม่ใช่มาไปยัยงไปไว้อยู่ที่ดูรูบดีถ้าพร้อมกันแล้วก็ตั้งนโมพร้อมๆกันเลยนโมตัสสะภาควรโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะผู้ทางสระนังขะชามิธรรมสระนังขชามิสังขังสระังขชามิ เทติยัมเตพุทางสาราคชามีเทติยัมเิธรรมังสารนังคาชามาเทติยัมเตโนสาวาทางคาชามีตะติยัมเตพเสุราเมรยาชาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทงสัมาทิยามีปุจจาระโขชนาเว ธ า, าตาเถระมณีสิขาปังสมาธิามิอะธินาธนาเวระมณีสิขะปังสมาธิามิอะพรามาจารย์โมสาว า, าเวระมณีสิขาปังสมาธิามิ สุราเมระยะมชาปะมาทฐานาเวระมณีสิกาปะทังสมาทิยามิผิกาลาเพชนาเวระมณีสิกาปัทังสมาทิยาเมนาจักทีตวาทิตวิสุกขาทสนามาลาคันทะวิเลปนัฐารณะผีภูสนัฐานาเวระมณีสิกาปะทังสมาทิยามิ สยนหมหสยนหเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเอมานีอัฏฐสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิเอมานีอัฏฐสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิเอมานีอัฏฐสิกขาปัฏฐานีสมาธิยามิที่ที่ตรงนี้คือจะเรียกว่า ในแง่อมิสบูชาถือว่าเป็นสถานที่สุดท้ายก็ได้ส่วนการปฏิบัติบูบชาหรืออมิสบูชาในแห่งอื่นๆเราทั้งหลายก็จะก็ที่เป็นสุอยู่แต่เพียงเท่านี้แต่ว่าโครงการที่มาเป็นพุทธบูชาตามสังเวชนีสถานต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสชุดพระองค์ตรัตรสรู้ แสดงธรรมจักกัตวัตนาสูตรหรือแสดงประกาศพระอริยสัจจะทำให้เป็นไประยะเวลา4 5พ0รษาจวบจนดับขันปรินิพพานที่อุสณนาราสารวันที่เรียกว่าสารวโนทยานก็แปลว่าอุทยานที่ประกอบไปด้วยต้นสาระเยอะที่เป็นสวนอันน่ารื่นรมของเจ้ามาละทั้งหลายโปรงดับขันปรินิพพานที่นั่น ในหลายแห่งที่เราไปเราก็ไปโหนลำลึกที่ว่าที่จ ะ, สะแสวงหาว่าวัตถุนั้นคู่ควรที่จะเป็นเครื่องสักการะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลผู้เลิศเราก็คิดว่าสิ่งใดที่เราพอจะมีที่จะได้บูชาบุคคลที่เลิศไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากถูกเข้าใลรสิ่งนั้นจะมีราคาทั้งหลายมาทำเป็นพุทธบูชาก็ไม่ได้เอาแต่สิ่งเดียวมาทาเป็นพุทธบูชา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 ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากสักตานใดสิ่งนั้นจะมีราคาเท่าไรที่เราทั้งหลายพอจะหาได้หลายท่านก็เอาเครื่องที่เรียกว่าในโลกนี้เาก็ถือว่าเพชรแวนเงินทองทั้งหลายเป็นเครื่องปลื้มใจในโลกหลายท่านก็สละสิ่งเหล่านั้นเป็นพุทธบูชาเอื้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ้าใดที่เราคิดว่าผ้าเหล่านั้นเป็นผ้าที่สวยสดงดงามที่สุดในความคิดของเรา บุคคลใดที่คู่ควรกับการใช้สิ่งเหล่านั้นเราก็แสวงหาผ้าผ่อนเหล่านั้นมาเป็นเครื่องบูชาระเบีดเดยบดอกไม้ที่ถือว่ายิ่งกว่าของขวัญ ท, ทั่วไปเราก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นเป็นข้าวของวัตถุภายนอกหรือมหาผู้ภายนอกที่เราทั้งหลายขวนขวายแสวงหามาเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช่แต่เท่านั้นเราสัหลายก็ยังปฏิบัติบูบชาบูชาด้วยกายบูชาด้วยวาจาบูชาด้วยใจบูชาด้วยกายนั้นคืออะไรเราสั้หลายมีการกราบมีการไหว้มีการทําประทักศิลมีการก้มมีการกราบมีการยกมือประนมอัญเชลีซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นพุทธบูชาด้วยกายใช่แต่เท่านั้นเราก็ประพฤติ ท, ทั้ง ส่วนนั้นเรีวยกว่าจารีตศีลการเคารพการกราบการสา endi, ักการะการไหว้อันนี้ก็เป็นศีลเป็นประเภทจารีตศีลในขณะเดียวกันเราก็ประพฤติวารีศีล pues เราสงสัยเป็นผู้เว้นจากตานาติบาเพื่อเป็นพุทธบูชามดเว้นจากอธินนาทานเป็นพุทธบูชามดเว้นจากการเมสตุนิชาชาจารเป็นพุทธบูชาเว้นจากการประพฤติอันเป็นอภิรมจารเป็นพุทธบูชา เราก็บูชาพระ อ, องค์ทางกายทั้งด้วยจารีตศีลและด้วยวาลีศีลเราก็ยังบูชาด้วยเครื่องบูชาอย่างอื่นอีกคือบูชาทางวาจาทางวาจาวาลีศีลเก้นจากคำพุดเคยมุสาวาทอยู่บ้างพอมาอย่างนี้ก็เลิกมุสาวาทเราพูดไปก็พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเท่าที่จะเป็นไปได้คำพูดของเราสัมผัสตระลาตะก็นับว่าน้อยมาก แต่ก็ยังพอมีบ้างให้รู้ว่ามีกลิ่นอายอยู่แต่ก็โดยมากก็เป็นอาจาขึ้นรถก็สรรเสริอใช้คําที่เรียกว่าคนฟังฟังแล้วไม่สบายใจเอาเป็นอันมากราจาเหล่านั้นเราทั้งหลายก็เวน้นคําใดที่จะทําให้คนอื่นเขาไม่สบายใจคํานั้นเราก็เวน้นอันนี้เแปลว่าให้คําอะไรเว้นจากคําหยาบคําหยาบนั้นคือเจอตนาของเราไม่หยา คำพูดที่เราพูดไปก็พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเท่าที่จะเป็นไปได้คำพูดของเราสัมผัสประลาต่าก็นับว่าน้อยมากแต่ก็ยังพอมีบ้างให้รู้ว่ามีกลิ่นอายอยู่แต่ก็โดยมากก็เป็นสัมมาวาจาขึ้นรถ ก, ก็สรรเสริญบูชาทั้นเราทั้งหลายก็รู้จากวาจีทุจริตมาประพฤติวจีสุจริตมีการสวดสรรเสริญคุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าแม้เพราะเหตุนี้เพราะวังดีเช่นนี้เช่นนี้มีพระคุณเช่นนี้เช่นนี้เป็นผู้ที่งดงามเป็นผู้ที่ดีเยี่ยนเท่าที่เราทั้งหลายจะหาคำสรรเสริญเช่นพุทธานุสติที่หนึ่งที่เรายกเอามาจากอุบาลีวาทสูตรพุทธานุสติที่สองที่เราเอามาจากสุทึิกสูตรแล้วก็เอามาจากคาว่าท่านมเหสีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระมหาวีระพัควา เป็นต้นเนี่ยนะเท่าที่เราจะระลึกนึกได้เท่าที่ค้นพบหน้าที่เดนดที่เป็นคําสรรเสริญคุณของพระตถ า, าคตอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บทหลักที่เราใช้ก็คืออิติปิโสภควาซึ่งแต่โดยสัพว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้แม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอรหรันตเป็นต้นเนี่ยนะเราก็วจีสุจริตเหล่านี้ก็หาสรรเสริญคุณของพระตนะไตรย อันนี้เป็นคําพูดที่เว้นจากมิช่าวาจาโดยประการทั้งปวงเป็นคําพูดที่เป็นสัมมาวาจาเป็นคําพูดที่ระลึกถึงแล้วสบายใจในภายหลังเพราะคําเหล่านั้นเป็นวจีสุจริฐไม่เป็นที่ตั้งแห่งความฟุ้งซ่านไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนใจในขณะเดียวกันถ้อยคําเหล่านั้นก็เป็นคํากล่าวที่นอบน้อมวจีเหล่านั้นเป็นวจีที่เป็นวาลีศีลที่เป็นจารีศีล ในขณะโดยวกันถ้อยคําเหล่านั้นก็เป็นภาวนาด้วยคําพูดใดที่เป็นไปตราลบมรณานุสติเป็นตน้นถ้อยคําใดที่ตรารบอนิจจังเป็นตน้นถ้อยคําเหล่านั้นก็เป็นวิปัสนาภาวนาถ้อยคําใดที่เป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นตน้นถ้อยคําเหล่านั้นก็เป็นสมถะพ่านเราทั้งหลายก็เชื่อว่าอ บ, บรมทั้งสมถะและวิปัสนา ด้วยจิตใจที่บูชาของเราก็เป็นศีลเป็นไปกับสมถะและวิปัสนาอกกับทายที่กล่าวถึงวัตถุภายนอกก่อนเป็นเครื่องบูชาเนี่ยก็ไล่เข้ามาก็ป ร, ประคับประคองเป็นเครื่องสาการะบูชาเราก็หลายทั้งหลายกระจุกความรู้ความสา ม, มารถสติกําลังเราไม่เคยทําเพื่อผู้ใดเท่านี้เลยถ้าเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทํากับคนอื่นก็เพราะความเกรงกลัวเพราะอะไรเป็นต้น แต่ถ้าเราทำกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยจิตใจที่เคารพทำด้วยจิตใจที่เทิดทูนทำด้วยจิตใจที่บูชาเครื่องส ก, การะทายธรรมคือวัตถุภายนอกกับทยธรรมคือวัตถุภายในความสุจริตทางกายวาจาและใจก็ประคับประคองเป็นเครื่องส ก, การะบูชามาด้วยดีราทั้งหลายก็เชื่อว่าอบรมธรรมะเป็นที่ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีะีพอมาถึงจุดสุดท้ายนะแห่งนี้คือสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงสติปัญญานซึ่งก็ถ้าใครเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาเข้าใจอัพะความหมายของธรรมจักปรปตวัตนสูตรที่พระองค์แสดงที่เมืองเมืองธารณาณสีปลายศึกปัตตะมฤุกขายาวันที่ทำให้ขีตุบาซือสถูปเป็นที่ ประเด็นธรรมจักรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นที่เมืองสาวัตถีพระธรรมต่างๆที่เราศึกษากันที่เมืองกุศินาราเป็นต้นพำำระธรรมคําสอนเหล่านั้นโดยทั่วไปนี่คืออะไรก็คืออภิธรรมอภิธรรมนี่แปลว่าธรรมอันยิ่งอภิธรรมกับอภิวินยัยคือธรรมอันยิ่ง ธรรมะยิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแสดงเพื่อความรู้ยิ่งธรรมนยิ่งนั้นก็คือสติปฐานสี่สัมมัปทานสี่อิทิบาสี่ินงีห้าพละห้าพชชงเจ็ดและอริยมรรติองค์แการแสดงธรรมะอันยิ่งทั้งสามสิบเจ็ดโมดสามสิบเจ็ดหัวข้อย่อยๆตั้งแต่สติปฐานเป็นต้นจนถึงอริยมรรอันประกอบไปด้วยองค์แ ทำเหล่านี้แหละที่พระ อ, องค์แสดงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงแสดงพร้อมทั้งเหตุแสดงพร้อมทั้งผลแสดงธทำธรรมเหล่านี้เนี่ยตป็นไปเพื่ออะไรเพื่อแทงตลอดมรรคสีผลสีและพระ น, นิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกคนที่จะปฏิบัติในโพธิปักขยธรรมได้ถ้ามีความเข้าใจในธรรมจักก็จะเข้าใจในคําว่าสติปัฏฐานสีธรรมจักนั้นพระ อ, องค์แสดงอะไรโดยหลัก สแสดงข้อปฏิบัติที่เป็นเอียงไปข้างหนึ่งคือการสแสวงหาความสุขในวัตถุ ก, การมซึ่งกุศลธรรมเหล่า น, านั้นวิบากและกรรมาชโลภให้เดุวร้อนเน้นมัดในบรรดามัดทั้งทางไม่เห็นไม่ใช่น้อยนะถ้าสังเกตก็มีทั้งติปทานสูตรหรือสติปทานในมัดแบบนั้นแหละเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ไม่ได้นําออกจากวัตถกรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงไว้เลย ส่วนสัมมาปฏิปทาที่เป็นข้อปฏิบัติทําให้เกิดดวงตาเกิดยานเกิดวิชาเกิดความรู้เกิดแสงสว่างเกิดปัญญาเป็นไปเพื่อความรู้ยื่นประสรู้เพื่อพระนิพพานซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นที่โพลงแสดงก็คืออะไรอย่างยกตัวอย่างมาที่นี่เน้นมัจในบรรณามัจทั้งหมดมีแปดองค์ใช่ไหมที่ตรงนี้เรียกว่ามหาสติปฐานสูตรหรือสติปทานในมัจแบบเนี่ยสติปฐานอยู่ในมัจแบบไหม ก็อยู่เพราะว่าสัมมาสติก็อยู่ในองค์มรรคเปดสติอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้เพราะว่าขาดองค์ประชุมไม่ได้ตอนพระองค์แสดเงเนี่ยนะเรายกขึ้นมาว่าหัวข้อหัวข้อใหญ่ๆคือสติปัฏฐานแต่พระธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่มีแต่สติอย่างเดียวพระธรรมทั้งหลายยังไงก็ไม่พ้นอริยสัจสีใช่ไหมอริยสัจสีนี้ตัวที่เป็นข้อปฏิบัติมีอะไร ก็คืออราริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แบบพระธรรมนั่นแหละเป็นพระธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติคืออราริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แบบทีนี้อราริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แบนั้นในหัวข้อเหล่านี้ถ้าใครเข้าใจสติปัฏฐานสูตรไม่ใช่ตัวสติอย่างเดียวนะเพราะว่าองค์มรรคไม่ใช่มรรคเดียวมีมรรคแบบไม่เพียงสติปัฏฐานสูตรเพื่อพระองค์แสดงที่ที่แขวนกุรุเนี่ยนะหรือที่กุรุรับ กรรมาสถธรรมนิคมเนี่ยนะซึ่งก็เชื่อกันว่าที่ที่เรานั่งอยู่นี่แหละเป็นนิคมของพวกชาวแคว้นกุรุที่อุตุสปายะตอนนี้สปายะไม่อุตุไม่ถึงกระรอนนี่ก็นัว่าสปายะใช้ได้สปายะแปลเป็นภาษาแทว่าเป็นที่สบายอากาศเป็นที่สบายอาหารก็สบายเมื่อช้านี้ก็อินมนี้พีมันกันเลยอาหารเป็นที่สบายที่หลับที่นอนก็เป็นที่สบาย การเดินทางก็สบายแต่ว่าพอมาถึงนี่ขานะวิ ญ, ญญาณไม่ค่อยสบายไ <c oughs> ด้รับขานะวิ ญ, ญญาณก็คิดดูนะหมักหมมดูกี่ปีมาแล้วทีนี้สติปัฏฐานเนี่ยนะองค์ประกอบของสติปัฏฐานตอนแรกเพ อ, องก็ชื่นชมสติปัฏฐานว่ายังไงบ้างชมว่าดูก่ารพิสูจนทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกดูหนังสือประกอบเรียกจะได้นะหนังสือที่คุณป้าสุรีเรียกเรียงมา ทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดของส์ทั oh ้งลาหูมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกที่เจรณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสภิกษุในพระธรรมวิชญ์ที่ยังพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลก ที่เจรณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกที่เจรณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกที่เจรณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกที่ย้อนกลับมาว่า ทางนี้เป็นทางเอกทางเอกไม่หมายความว่ามีทางเดียวทางเดียวคืออะไรคือมีในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวแต่ก็จริงเช่นนั้นนะเคยได้ยินไหมคำสอนใดในโลกนี้ที่สอนแนวเดียวกันกับสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินอันนี้แหละแสดงว่าสติปัฏฐานมีอยู่ในศาสนานี้ศาสนาเดียวสติปัฏฐานนั้นคนที่จะเจริญนี่เจริญเพื่อคนอื่นได้ไหม ไม่ได้ต้องเจริญเอาคนเดียวแล้วก็ของใครก็ของใครละเจริญเอากันเองนะแล้วก็ผู้ที่เจริญเนี่ยนะไปนั่งโอโหกันตั้งวงแบบเล่นได้ได้ไหมเจริญแบบนั้นไม่ได้แค่ต้องวิเรก่องหน่อยๆนะต้องหาที่สงบที่เงียบๆ เ, เพราะต้องเจริญคนเดียวแล้วก็ลุกออกจากหมู่แต่ผู้เดียวกําจัดอุปัฏฐะหรืออุบากคเตว า, ารุขโมรคเตวาสุญยาคเตวามะเนี ก็ไปสู่ต่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งคูบาลังตั้งกายตรงลำรงสติมั่นเป็นต้นนะก็แสดงว่าเป็นข้อปฏิบัติของผู้ที่เจริญคนเดียวนั่งคนเดียวอยู่ในที่เงี ย, งยบๆถ้ามีความเข้าใจแล้วก็หาที่หลีกเลินหาที่สตายะแล้วก็ทางนี้เป็นทางสายเดียวที่ไปสู่อมาตะมหานิพพานธาตุไม่มีทางอื่นดอกที่จะแพงตลอดทีนี้ถามว่าสติปัฏฐานเหล่านี้ถ้าเจริญถูก กำจัดอุบาทออกไปกำจัดอุปเทวะหรืออุบาทอุบาทนี่คืออะไรบ้างเก้าเรื่องโศกะปริเทวะเพื่อดับไตแห่งทุกและโทมนัสอันนี้อุบาทสี่ประการนะถูกกำจัดออกไปถ้าเจริญถูกเครื่องวัดในการปฏิบัติของเราทั้งหลายเครื่องวัดนะข้อหนึ่งว่าลดโศกะได้ไหมลดปริเทวะได้ไหมดับทุกได้ไหมดับโทมนัสได้ไหม ท่านผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเราจเจริญ น, นิดหนึ่งถึงข้อปฏิบัติที่เราจเจริญอยู่เราก็มาถามดูว่าสิ่งที่เราจเจริญอยู่นี้สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้คู่ควรไหมที่จะดับทุกข์ได้คู่ควรไหมที่จะดับโทมนั์ได้คู่ควรไหมที่จะพ้นโสกกระปริเทวะทุกขโทมานต์แล้วฐานไม่หายแต่ที่มีตันมิลตุมีอาหารเป็นสมุทฐานไม่เา่าที่สมุทฐานอื่นตา แต่โรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานจากอันนี้ใช่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อเราก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเออสิ่งที่เราเจริญนี่มันมันถูกต้องนะจริงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะท่านบอกว่าถ้าเจริญถูกต้องแลวจะลดโศกปริทิวะดับทุกและโทมนัตถามว่าถ้าเจริญแล้วหายตัวเลยใช่ไหม ก็ตัวที่มีจิตเป็นสมุทฐานไม่หายแต่ที่มีการ ม, มีอุตุมีอาหารเป็นสมุทฐานไม่หายจะต้องไปแก้ที่สมุทฐานอื่นไปแต่โรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานจากหายอันนี้ใช่ต่อไปอีกว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยอันที่สองคือดับทุกโธมณตดับโสกปฏิเทวะเน่ยแน่เลยถ้าเจริญถูกในชาตินี้ทุกใจจะลดลง ถ้ายิ่งเจริญยิ่งทุกข์อันนี้ไม่ใช่ผลของสติปัฏฐานแน่นอนยิ่งเจริญยิ่งเครียดยิ่งเจริญยิ่งเศร้ายิ่งเจริญยิ่งซึมอันนี้ไม่ใช่นี้ทุกข์คิดอย่างนี้มากๆแล้วซึมอันนี้ก็ไม่ถูกแน่นอนก็ต้องมีปัญหาอะไรละเพราะอะไรมันจนเป็นอย่างนั้นนี้ทุกข์แล้วซึมเหรอไหมก็มีโยนถามว่าทําไมคิดวันนี้ทุกนี้ทุกแล้วทาไมคิดแล้วมันเศร้าจัง อันนี้แสดงว่าคิดไม่ถูกทำความเข้าใจไม่ถูกต้องทั้งสติปัะฐานที่เจริญถูกต้องเน่ยนะดับทุกโทมนัสดับเซกะปริเทวะอันนี้แล้วทำให้ได้รับคุณไม่วิเศษสามประการคุณวิเศษข้อแรกชาระกิเลสชำระราคาได้ราคาลดลงไหมโทสะลดลงไหมโมหะลดลงไหมถ้าราคาโทสะโมหะลดลงถูกต้องใช้ได้แล้วละ่ะ แต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นโกรธมากขึ้นก็ไม่ใช่ร่ำหลงมากขึ้นดูทําท่าเหมือนก็ว่าเป็นคนงมงายไปแล้วเป็นคนคลั่งคล้ายโมหะทําอะไรก็ไม่รู้ตัวเลยเป็นลักษณะคล้ายๆถูกสะกดจิตอันนี้ก็ใช่ไหมไม่ใช่ทั้าราคามากขึ้นก็ผิดโทรศัมากขึ้นก็ผิดโมหะมากขึ้นก็ผิดไม่ถูกต้องเพราะว่าคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อบริสุทธิ์จาก ราคาบริสุทธิ์จากโทสะบริสุทธิ์จากโมหะเพื่อบรรลุญายธรรมคืออะไรอริยมรรคคุณวิเศษข้อต่อไปที่ควรไตรสรู้คืออริยมรรคอริยมรรคเข้ารู้อะไรบ้างอริยมรรคมีองค์เท่าไหร่อริยมรรคก็มีองค์แปใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเราพิจารณาอย่างนี้มรรคแตดมันจะเกิดได้หรือยาตาท้ายีิตกอวิหิงสาอุกคิดนะว่าเจริญไปอย่างนี้เบาๆเนี่ยบรรลุมรรคได้สัมมาวาจาดีขึ้นไหม ถ้าวาจาเนี่ยดา่าเก่งกว่าเดิมขึ้นโทรศัมากกว่าเดิมขึ้นพูดแต่ละคำเนี่ยนะหนายถ้าพูดข้อมูลในการปฏิบัติอะก็เลยพูดเป็นเครื่องเตือนว่าไอ้ที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรให้เครื่องตรวจสอบไปให้เครื่องมือไปตรวจเอาว่านี่นะถ้าเจริญไปแล้วอารยศาสตร์เราเข้าใจามากขึ้นแสดงว่าสัมมาทิฏฐิเราเพิ่มใช่ไหมสัมมาสังกัปปะคือกุศลนี่ตกเพิ่มขึ้นไหม คำวิตกอพยาตาท้ายวิตกอหิงสาวิตกดีขึ้นไหมเพอเจ้อลดลงไหมสัมมาวาจาดีขึ้นไหมถ้าวาจานี่ ด, าด่าตึงกระเดิมขึ้นโทสะมากกระเดิมขึ้นพูดแต่ละคำเนี่ยนะไหนถ้าพูดแล้วตัดคอคนอื่นได้พูดหมด อ, อะถ้าอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกถ้าคำก็พูดหนอย่างการเอาขวานเนี่ยไปทิ่มหูคนอื่นเนี่ยนี่ไม่ใช่เนี่ยนะแต่เหมือนเอาสันไม้สักอย่างไปข้อที่คนอื่นคําพูดเหล่านี้ก็ไม่ใช่ คำพูดพี่ขาดเมตตาขาดความสามาัคคีปรางดองเป็นต้นก็ไม่ใช่เพราะว่าสัมมาวาจานี้จะต้องดีไม่ใช่เพ้อเจ้ออยู่ได้ทั้งวันเพ้อเจ้อทั้งวันก็บาป ท, ทั้งวันว่าสัมมาวาจาดีขึ้นไหมทางกายละ่ะมีประโยชน์บ้างไหมทํามาเราอยู่แต่ละวันชีวิตแต่ละวันที่เราดําเนินไปเป็นสัมมาตะมันตะไหมทางกายของเราใช้ถูกต้องไหมอาชีพที่เราประกอบอยู่ คู่ควรไหมเป็นเหตุกล้ยต่อการปรสรุธทำได้ไหมแล้วก็มาตรวจสอบดูแล้วกุศลเราเพิ่มขึ้นไหมอกุศลเราลดลงไหมอันนั้นให้รู้ว่าเรามีสัมมาวายามะหรือไม่สติเป็นยังไงโลกนี้หน้าทพ่่ราไหมของเราเนี่ยเรามาที่อินเดียเนี่ยดูทั้งสวรรค์ดูทั้งอบายเนี่ยนะพุการบอกว่าดูบนดสวรรค์หนึ่งวางั้นเหที่เราพักเนี่ยนะก็เหมือนกับ ที่เรียกว่าสวรรค์นในดินมันก็แบบที่เราพักนี่แหละก็ามาไปถามดูอคืนหนึ่งเนี่ยปกติเท่าไรตลอดร้อยห้าสิเหรียญมาคนเดียวหอบหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวร้อยห้าสิบเหรียญอันนี้ชั้นตามเปล่าแต่ชั้นเพิ่มกว่านั้นแหละสูงสุดเลยแค่สี่ร้อเหรียญก็คิดดูว่าเขามาเชื่อว่าครึ่งเดลีเลยเนีนะทำงานตลอดชาติอย่างมากเลยนอนคืนเดียวเก็บเงินตลอดชาติเลยไหมขอฐานตลอดทั้งชาตินอนหลับอยู่คืนเดียวราดเพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้าวิตาลาดลดลงก็แสดงว่าเจริญสติตปัฏฐานถูกแล้วแต่ถ้าวิตาลาเพิ่มขึ้นมองอะไรซุยงามไปหมดมองอะไรก็เหมอสุกจริงๆสุกจริงๆมองอะไรก็อีกนานอีกนานยั่งยืนเหลือเกินเราอันี่เป็นทุ่มเนี่ยอันอะไรเอ่ยกลิ่นปปเวลาปบอวนไปหมดรู้ไหมข้างทางที่เราเห็นมาเนี่ยว่าข้างๆสถา น, นีขนส่งมันไม่มีเส้นอ่ะแต่ประชาชนขนาด น, นี้ถ้าใช้ห้องน้ําถามว่า ก, กี่ห้องจึงะพอ จะต้องใช้เจ้าหนะ้าที่เทศบาลเท่ไหร่ในการดูเรถามว่าวิตาลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าวิตาลาดลดลงก็แสดงว่าเจริญสติปัฏฐานถูกแล้วแต่ถ้าวิตาลาเพิ่มขึ้นมองอะไรซวยงามไปหมดมองอะไรก็เหนอสุขจริงๆสุขจริงๆมองอะไรก็หมอีกน้ำอีกนา น, น, านยั่งยืนเหลือเกินเรานี่เป็นผุ้มีอำนานจะอันนี้เนี่ยแสดงว่าอิดาดมากแล้วเลอนมากแล้ว วิปริตแล้วละ่ะความคิดอย่างนั้นนี่ยเป็ความคิดที่วิปริตทางธรรมะเพราะอะรเพราะว่าการถือว่าเที่ยงสําคัญว่าสุขสําคัญว่างามสําคัญว่ายั่งยืนนี้ถือว่าเป็นความวิปริตชนิดหนึ่งวิปลาดขลอยวิปลาดคืออะไรคือวิปริตมรณาสิการการมรณสิการโดวยวิปริตคือมันไม่ตามความเป็นจริงอะไรเลยมันมาซึ่งขัดต่อความจริงต่อไปสัมมาสมาธิละ่ะฟูงซ่านมากขึ้นไหมถ้าฟูงซ่าน ควบความคิดตัวเองไม่อยู่เลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่การเจริญสติประฐานที่ถูกต้องไหมเอาองมักมาวัดดูว่าใกล้ต่ออริยมักมีองคตัดไหมถ้าใกล้ต่ออริยมักมีองตัดใช่เลยแต่ถ้าเอามักใดมักหนึ่งมาจับดูเออนี่มันขัดนี่ไม่ถูกต้องอย่าเจริญต่อเลยเพรายิ่งเจริญแล้วยิ่งมีภัยแก่ตัวข้อสุดท้ายเพื่อบรรลุนิพพานสัจฉิกิริยาเพื่อ ท, ำทํำพุทธิฐานให้แจง้ง เป็นไปได้ไหมที่เราจะตัดสรูนิพานนิพานคืออะไรนิพานคือความสิ้นตัณหาที่ชื่อว่าวานะความสิ้นตัณหาที่ร้อยรับเราเย็บผ้าเนี่ยเย็บทำไมเพราะให้มันติดกันใช่ไหมให้มันเชื่อมให้มันติดกันชันใดตัณหาก็ร้อยร้อยไหนร้อยกรรมไว้ให้มีผลร้อยวัตตะเอาไว้กับวัตตะก่าง่ายผู้บบภาษายมเ็องง่ายดีร้อยลิ้นผูกไว้กับลิ้น ร้อยตาถูกไว้กับตาร้อยหูถูกไว้กับหูร้อยจมูกผูกไว้กับจมกูกร้อยลิ้นผูกไว้กับลิ้นร้อยกายถูกไว้กับกายไม่รู้ไปผูกไว้กับกายไหนไม่ทราบนะแต่ว่าร้อยกายมัดไว้กับตายสังเกตภาพที่เรามาอินเดียมีอยู่คนหนึ่งนะหัวสองหัวตัวติดการเห็นนะความวิจิตเนี่ยนะถ้าเราต้องมัดอยู่อย่างนั้นเอาไหมไม่ดีแน่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทิงกายออนี่แล้วแบกเอากายชนิดไหนต่อไปเนาะ ถ้าพูดถึงเราเคยเกิดยดไหมเคยแสดงว่าเกิดมารูปไม่ดีเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ไหมเคยไปหนี่ไหมเคยงั้นอันนี้สงขอทานก็ถามให้แจง้งผู้นั้นก็ตัดไปเลยเคยทะยองไหมร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละจนกว่าจะสิ้นชีวิตเพร่อเราเพราะว่าตาในอดีตเป็นเหตุปัญหาในอดีตก็ร้อยเอวก็เข้าไม่รู้แต่ที่เร า, แ ต, เราแต่เขาดูว่ากี่เหตุที่เป็นเหตุ ทำเหตุไวไหมที่จะเป็นแบบนั้นถ้าทํำเหตุไวก็ต้องระวังแล้วล่ะท่า น, นพณิพานเนี่ยตัดอะไรตัดเครื่องร้อยร้อยกรรมให้มีวิบากนิพานนั้นตัดกิเลสไม่ให้กรรมให้ผลเป็นวิบากอีกต่อไปท่านผู้ใดทําพระนิพานให้แจง้งผู้นั้นก็ตัดกรรมไม่ให้ร้อยไว้กับวิบากร่างกายที่เรามีอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นไปอย่างนี้แหละจนกว่าจะสิ้นชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าตามในอดีต เป็นเหตุปัญหาในอดีตก็ร้อยเอาไว้แล้วแต่ที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมตามสติประฐานเพื่ออะไรเพื่อที่จะร้อยไม่ให้มีปฏิเสธที่ในภพใหม่โดยเฉพาะอย่างลงสู่คันในอบายเป็นต้นเราต้องการตัดเราจะตัดได้อย่างไงเนอไล่มาพื้นฐานก่อนนะว่ากุศลสีเน้นํำออกจากอบายสมถานนาออกจากตาม นิพสสนาโดยเฉพาะแทงตลอดอริยศัตวร์จรึงจะนำออกจากทบทั้งตัวนี่เราก็ไม่ดูว่าเออนี่สติปัะฐานที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีอันนี้สองโดยประการเจ็ดอย่างบางที่กล่าวมาแปละสะวดง่ายๆว่ากำจัดอุบาสีตัวหนึ่งโสกะสองปริเทวะสามทุกสี่โทมนัสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสเนี่ยกำจัดอุบาสีตัวนี้ได้เลย แล้วก็ได้คุณวิเศษสาประการคือหนึ่งความบริสุทธิ์หมดจดจากบาปอากุศลมทุกชนิดสง